สวยงามความเรียบร้อยเป็นเรื่องที่ศาสนาได้สั่งสอนไว่หมดไม่มีใครที่จะสั่งสอนได้ละเอียดและออยิ่งกว่าศาสนาจะพ อ, อย่างยิ่งคือพุทธศาสนานี่แหละเป็นสาคัญคําว่าศาสนาเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจนั้นประดับอย่างไรคือธรรมดาศาสนาเป็นสิ่งที่งาม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 ลวนแล้วตั้งแต่เป็นกลุ่มของมนุษย์ทั้งนั้นของนับตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปย่อมมีการกระทบกระเทือนกันได้เข่นลิ้นกับฟันแม้จะทำงานเพื่อผลประโยชน์แก่ร่างกายธาตุขันทั้งเราก็ตามแต่ก็พ้นที่จะกระทบกันไม่ได้บางครั้งฟันกัดลิ้นเลือดาสาดเราก็มี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 จะมีส่วนได้เสียอย่างไรและยิ่งงานเกี่ยวกับคนอื่นมีจํานวนมากน้อยเป็นลําดับลําดับไปด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุให้นำมัด ร, ระวังการนำมา ร, ระวังด้วยศีลด้วยธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความกระเทือนความไม่นำมา ร, ระวังและไม่มีศีลมีธรรมเข้าแทรกเข้าเกี่ยวข้องเลยนั้นเป็นไปเพื่อความโกกระเทือนส่วนมากก็เป็นเ้ื่อความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี้เป็นสิ่งที่ทําลายส่วนรวมได้มากมายก่ายกองพระพุทธญาติทั้งถึงสอน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 คำพูดก็เป็นเครื่องสมองสมานและเต็มไปด้วยเหตุดยผลผู้ฟังย่อมได้รับความเข้าใจและทราบซึ้งทางด้านจิตใจก็คิดแต่ในแง่ที่ดีก่อนที่จะระบายออกมาทางกายทางวาจาต้องการกรองออกมาจากใจเสก่อนใจใจเป็นผู้บงการหมู่ ง, งานถ้าใจได้รับการพิิพิจารณาลึกการกรองมาด้วยดีแล้วการระบายออกก็เป็นทางที่ถูกทั้งนั้น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 ฝืนตัวเองปีนเปลียวตัวเองปีนเปียวคำจริงปีนปีนเกลียวหลักธรรมคือาศาสนาอยู่โดยไม่รู้สึกตัวยิ่งผู้มไม่มีาศาสนาเลยนั่นเราก็ไม่นับเข้ามาในบัญชีนี้นี่เราหมายถึงตัวของเราเองผู้นับถือาศาสนาแล้วตาหนิเราบ้างเพื่อจะเห็นทางแก้ไขเห็นจุดบกพร่องของเราจึงเรียกว่าเราดือ้อเพื่อจะพาสวดมวนต์ไหว้พระอันนี้ขี้เกียจน่ะมันดื้อตรงนี้ดื้อตรงขี้เกียจ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 ความขัดแย้งนั้นเป็นฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดเราต้อง น, นำมาคิดเพราะเราต้องการความสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีอันใดที่จะจัดสนิทติดแนบยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่มีความเชื่อถือและติดแนบกันแต่สามีภรรยาลงกันไม่ได้ก็กแสดงว่าครอบครัวนั้นแตกลูกต้าเหล่ากอทั้งหลายก่อหาความร่มเย็ยนเป็นจุดไม่ได้นี่คืออะไร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 ระหว่างสามีภรรยาต่างคนก็ต่างมีความร่มยินเป็นจู่เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ประพฤติตัวออกนอกลูก่นอกทางมีความอบอุ่นสมบัติเงินทองจะมีมากมีน้อยไม่เป็นของสําคัญยิ่งกว่าน้ําใจที่มีต่อกันมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายกันด้วยความซื่อสัตย์สุริตสุจริตนี่เป็นหลักใหญ่ของการครองบ้านครองเรือน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 ยอมรับสามีผิดยอมรับลูกเต้าผิดยอมรับยอมรับกันคนเราให้อภัยกันได้คือยอมรับแสดงว่าการยอมตนเห็นผิดอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ยอมรับอยู่ด้วยกันไม่ได้หม่ว่าอะไรเลยเหมือนอย่างโรคไม่ไม่ยอมรับยาเลยจะต้องแตกทลายไปสเสียวกำเริบไปเรื่อยจนกระทั่งตายไม่มีเหลือถ้าโรคยอมรับยาบ้างมีทางหายเนียเนี่ยเราพูดในขั้นหนึ่งแห่งธรรม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 ความรุ่งเหยิงเขายุ่งเหยิงเราต้องยุ่งเหยิงเขามีงานเราต้องมีงานเพราะมีปากมีท้องมีธาตุมีขันที่จเป็นเครื่องรบกวนเราให้ต้องหางานมาเพื่อผลประโยชน์ได้เข้ามาบำรุงรักษาก็ต้องได้จัดได้ทําอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็ทราบด้วยกันทุกคนแล้วนี่คืองานชนิดหนึ่งแต่งานทางด้านจิตใจได้แก่ศิ่จะทําที่จะบำรุงจิตใจให้มีความชุ่มเยน็นและมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจของเราและครอบครัว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 เมื่อต่างคนต่างอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเห็นชีวิตของเขาของเราของสัตว์ของบุคคลมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยความเป็นอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํากันไม่หลงเมื่อทํากันไม่หลงก็เรียกว่าโลกนี้มีความร่มเย็นเพราะไม่ทําลายซึ่งกันและกัน <S 1> <S 1> <N> นั่นอธินาสมบัติของใครๆก็ตามมีคุณค่าสําหรับของมีคุณค่าสาหรับผู้นั้นด้วยกันทั้งนั้นแม้เข็มเล่มหนึ่งก็มีคุณค่ามีเป็นของสําคัญ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 การทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ให้บริสุทธิ์ด้วยความรู้สึกใจด้วยความพอใจผู้รับก็รับด้วยความรู้สึกใจไม่เป็นทโทษเป็นภัยอะไรให้กันมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะให้ด้วยน้ำใจแต่การโฉกการขโมยกันนี้เป็นการทําลายจิตใ จ, จนอกจากทําสมบัติของเขาให้สูญหายไปแล้วการทําลายจิตใ จ, จเป็นสิ่งใหญ่โตมากยิ่งกว่าสมบัติที่สูญหายไปเพราะการขโมยนั้น mm hmm. นานท่านเห็นความสัมพันธ์อย่างนี้ท่านจึงทรงบัญญัติในข้อนี้ไว้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 ทีการเมซึศาสตาจารย์จึงเป็นการทำลายอย่างใหญ่หลวงทีเดียวโลกแตกฆ่ากันได้เพราะเจ็บใจแค้นใจทนไม่ไหวก็ต้องออกในทางนั้นคือในการทำลายฆ่ากันไดน้โลกมันแตกเพราะนี้พระองค์ก็เห็นสิ่งที่รักที่สงวนมากคืออะไรระหว่างสา ม, มีภรรยาหรือลูกเต่าเหล่าก็ค่องไทยใครก็รักใครก็สงวนใครไปร่วงล้าไปทำลายนี่ใครจะไม่เสียใจฆ่ากันได้ยกตัวอ ย, ย่างใกล้ๆที่หนึงวงตาบัว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 รู้ไหมว่าลูกหลวงตาบัวหลวงตาบัวมีความรักความสงวนขนาดไหนถ้าไม่อยากตายอยากอยากเข้ามานั่นะนี่เรายกตัวอย่างนะแต่นี่ดีหลวงตะบัวไม่มีเมียได้ไม่ได้ฆ่าคนอ้าวนี่ข้อที่สามเราเห็นความสาคัญไหมนี่สําคัญขนาดนั้น่ะ <c oughs> อะไรก็ตามจิตจดจ่ออยู่กับผัวกับเมียกันเท่า น, นั้นเป็นจุดใหญ่สําคัญระหว่างสามีภรรยาและลูกเต้าของตนนี่เป็นจุดใหญ่มากการทําลาย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 พูดแต่คำโกหกกันทั้งนั้นหาความจริงหาสาระที่จะเชื่อถือกันไม่ได้เลยเราต้องการหรือโลกอันนี้มีแต่โลกโกหกอย่างนี้กันทั้งโลกแล้วโลกนี้อยู่อยู่กันได้เหรอกว้างแสนกว้างอยู่กันไม่ได้เพราะหาความตัดความจริ ง, รรงต่อกันไม่ได้เลยน่ะหลองพินาสิสำคัญไหมคําพูดเห็นว่าไม่เห็นรู้ว่าไม่รู้ความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่พูดไปอย่างหนึ่งหาความตัดความจริงหางความไว้บางแจกไม่ได้เลยจะอยู่กันได้อย่างไรระหว่างสามีภรรยาเขาอยู่กันไม่ได้ ลูกกับพ่อกับแม่ก็อยู่กันไม่ได้ถ้าขาดศีลทําข้อนี้เสียเท่านั้นโลกนี้จะหาความจริงความจริงไม่ได้เลย<ะ>แล้วฆ่ากันแหลกอีกเหมือนกันเพราะโกหกนี่ว่าไงนี่อันหนึง่งเราพูดย่อๆพอเข้าใจแล้วสุราฮะเราเคยเห็นไหมคนเมาสุรามันเป็นคนชนิดใดไม่ได้ไม่ดื่มสุราเป็นยังไงเป็นคนดีๆเราธรรมดานพอดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นบ้าขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปหา ทำอะไรละ่ะอืไม่ต้องไปเรียนวิชาบ้ามาเลยมันเป็นบ้าเป็นทันทีทนันใดอืโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้าะแล้วอวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมาเหล้าพูดไม่รู้จักจบเพรกับ ค, คนเมาเหล้าแล้วที่นีต่างคนต่างเมาเหล้าเมาศุลาด้วยการเกลื่ อ, อนกลาดอยู่ตามถนนท้องทางไม่ว่าเขาว่าเราเต็มไปหมดตั้งแต่คนเมาสุลาเราดูได้แล้วหรือโลกกว่านี้เกลื่ อ, อนไปหมดตั้งแต่คนเมาะเราดูดูได้ไหม ท่านไม่อยากเห็นคนประเภทศนั้นที่โลกนี้ทั้งโลกแล้มีแต่คนมืนเมาธุลาเกลือนเต็มโลกหาคนที่เป็นสารหาคนที่เป็นศีลธรรมหาคนเป็นผู้มีสติสตังสักคนหนึงไม่มีมีแต่คนเป็นบ้าพ่อพิษธุลาซะทั้งหมดและโลกนี้น่าอยู่แล้วเหรอแล้วไม่ต้องพุดอื่นไกลเลยเราพูดในครอบครัวของเราเพียงเท่านั้นลูกกี่คนก็เป็นบ้าธุลากันหมดเมาธุลากันเกลือนนอนเกลือนอยู่ตามหน้าบ้านหน้าเรือนลหล้างเรือนที่ไหน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 ตราจากความคิดปรุงซึ่งเปเครื่องครอบควนใดๆเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตสงบและนั่นแหลท่านเรียกว่าบ่อแห่งความสุขอยู่ที่ตรงนั้นความสุขเกิดขึ้นจากความสงบนัตติสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นใดให้เสมอความสงบไม่มีความสงบนี่หมายถึงความสงบใจสงบภายในจิตใจ มีความเย็นสบายปากันฝึกหัดภาวนาอย่าให้เสียธาตเสียทีเสียเวล่ำเวลาการเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตติดใจแล้วทั้ขงขาแร่างกายเราก็ค่อยผ่านไปร่วงโรยไปเทีนเล็ก็น้อยไปขาดไปวินาทีขาดไปหนึ่งนาทีขาดไปหนึ่งชั่วโมงเพราะเวลาเวลานี้กินอยู่ตลอดจะหลับตื่นดืมตาแล้วก็ตาม <c oughs> การกินของเวล่ำเวลาที่เกี่ยวข้องกับ ทังขานั่งกางเหล่านี้จะไม่มีหยุดบ้างไม่มีวันเสาร์วัอาทิตย์วันพระวันโกนอะไระกินกันไปเรื่อยๆค่อยหมดปงไปสมมุติว่าเรามีอายุหนึ่งรปีนะขณะนี้วินาทีกินไปต่อไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกินไปตั้งแต่โ น, โน่นตั้งแต่วันปฏิทินที่วิญญาณมาโดยลําดับะกินไม่หยุดไม่ถอยคีดไปทั้งร้อยที่มีมีประมาณร้อยปีนั้น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 สเราได้พบพระพุทธศาสนาและ3ยังได้มีความเชื่อความลอยสายต่อศาสนาได้พืชตนตามหลักศาสนาอีกก็เป็นเครื่องส่งเสริมชีวิตกิตใจความดีของเราให้ยิ่งิ่งขึ้นไปโดยลําดับหากว่าถึงการเวลาที่จะต้องล่วงไปตามกฎแห่งอนิจจังทุกขังนิาตานแล้วเราก็ไม่เสียท่าเสียทีความดีของเราได้สร้างไว้แล้วต้องบรรจุอยู่ที่ใจเป็นสมบัติอันพึงพอใจอยู่กับใจแต่เกิดในสถานที่ที่ดีคติที่งามเสมอไป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 เป็นบ้านเป็นเรือนก็เหมาะสมได้สัตว์ได้สวนทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมทั้งหมดท่านจงเรียกว่าสวัสดิธรรมจัดไว้ชอบแล้วเหมาะสมแล้วทุกอย่างแล้วก็ น, นำธรรมนั้นเข้ามาปฏิบัติตัวเองให้เหมาะสมกับตัวของเราเรายังไม่เหมาะสมอยู่ที่ตรงไหนคือบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนให้พยายามแก้ไขจุดนั้นๆให้เป็นความเหมาะสมขึ้นมาโดยลำดับจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาภ า, ายในจิตใจเช่นเราฟึ้นหัดภาวนาเบื้องต้นก็ล้มลุกคุกครานขั้นฟึ้นหัดไปเรื่อย จิตใจก็มีความเข้มแข็งมีความสงบเย็นใจขึ้นมาสติปัญญากค่อยๆเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาแก้ที่เลือดปัญหาอาสวะออกได้เป็นลําดับําับจนกระทั่งแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ภายในจิตใจเลยท่านเรียกว่าผู้นั้นพ้นแล้วจากที่เลือดอาสวะทั้งหลายเราจะเรียกว่าผ่ารหัรก็ไม่มีอะไรผิดแต่อันนี้เป็นชื่อเป็นนามจะเรียกหรือไม่เรียกไม่สําคัญขอให้พ้นจากทุกประจักใจแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้น นี่ก็ออกจากาศาสนาธรรมคือเหมาะสมไปโดยลำนับเหมาะสมทั้งการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่าสวกขาตธรรมจับไว้ชอบแล้วชอบแก่การแก้กิเลสอาสวะทั้งหลายชอบแก่การแก้ความชั่วช้าละโมกทั้งหลายที่มีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราจนกระทั่งหมดสินจนกระทั่งเบาบางและหมดสินดน้นไปโดยลำนับกิเลสทุกประเภทธรรมะเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดในการแก้จนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยถึงแล้วซึ่งความพ้นทุกข์ นะเราจรึงควรปฏิบัติจะให้เสียเวล่ำเวลาศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องคุณค่าไม่มีอะไรเทียบแล้วในโลกนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการพูธดีตามหลักศาสนาก็เป็นสิ่งที่เยี่ยมอยู่ภายในจิตใจใจเป็นผู้รับเพราะใจเป็นผู้รำ ใจเป็นผู้รับผลผลมากน้อยความสุขความเจริญนี้มากน้อยจะรวมอยู่ที่ใจไปสู่คติใดก็ไปเถิดคนที่มีคุณงามความดีได้ประกอบกระทำไว้แล้วย่อมเป็นเพื่อนสองผู้นั้นในการเดินทางท่องเที่ยวสู่พบท่านนั้นนั้นให้มีความสุขสำราญบานใจตลอดกาลเมื่อบุญญาคิดสมผานมีความแก่กล้าสามารถฉลาดรู้เต็มภูมิแล้วก็ผ่านพ้นไดจากิเดตะสวะในวัตถาสงสารนี้ถึงปณิพาน เป็นอันมภาสิ้นทุกโดยตการทั้งปวงการแสดงธรรมประเหต์สมควรเจเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้